ตอนที่176ไม่ใช่การตั้งครรภ์ถ้าอย่างนั้นคุณคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วละ่ะลิวันมองเหวนโม่ด้วยสายตาจริงจังต่อให้เธอต้องเลิกลากันจริงๆในอนาคตเธอก็คงไม่เลือกเขาเพราะเหวนโม่ไม่ใช่ผู้ชายในแบบที่เธอชอบเลยแม้แต่น้อยเหวนโม่พลันหัวเราะออกมาต่อให้ต้องอยู่ในฐานะเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรสําหรับผมแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องแย่เลยทางเลือกของแต่ละคนไม่เหมือนกันและนี่คือทางเลือกของผมหลิวันไม่ต้องการอัศวิน ความจริงแล้วสิ่งที่เธอคิดในใจคือหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีและไม่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อใครคนอื่นตลอดไปเมื่อพิจารณาจากความสามารถของคุณแล้วการทําแบบนี้ถือเป็นการเสียดายพรสวรรค์โดยแท้ใครบอกว่าการชอบคุณคือการเสียดายพรสวรรค์กันผมขอแค่ได้เห็นคุณมีความสุขก็พอแล้วบางทีในอนาคตผมอาจจะเจอคนที่ผมชอบอีกก็ได้ เรื่องในอนาคตไม่มีใครบอกได้แน่นอนเหวนโมดูเหมือนจะคิดตกแล้วเขาถอนหายใจออกมาอย่างยาวเหยียดการได้พูดออกมาเช่นนี้ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นมากจริงๆรหลีวหวานไม่ได้พูดอะไรต่อชีวิตของคุณคุณตัดสินใจเองเถอะเหวนโมการที่มีเป้าหมายอย่างเธอในชีวิตก็นับว่าไม่ใช่เรื่องแย่เสียทีเดียวเขตทหารบ้านตระกูลเจิง้ง ลิชิงพิงรู้สึกไม่สบายตัวมาพักหนึ่งแล้วเธอคิดว่าอาการมันคล้ายกับตอนที่ตั้งท้องพอเธอบอกเรื่องนี้กับแม่สามีสีหน้าของเจ้าชุนฮวาก็เปลี่ยนไปทันทีหามีอีกแล้วเหรอก็น่าจะใช่นะคะลีชิงพิงค์ทำตัวไม่ถูกเมื่อเห็นปฏิกิริยาของแม่สามีเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเพราะดูเหมือนแม่สามีจะไม่ได้มีท่าทีดีใจเลยสักนิดเออดีแล้วดีแล้ ว, ลวหนไม่ยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านั้นเราไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนเธอรอให้ผลตรวจออกมาก่อนค่อยว่ากัน เจ้าชุนฮวาปลอบประโลมความรู้สึกของหลีชิงถิงก่อนจากนั้นเธอก็ไปหาลูกชายแล้วเริ่มตำหนิทันทีแกนี่มันไม่รู้จักจบรู้จักสิ้นจริงๆเลยนะเขาเกิดลูกชายตัวโตๆโตให้แกตั้งสองคนแล้วยังไม่พออีกหรือแกยังจะให้ชิงถิงท้องอีกฉันละโมโหจริงๆแกเห็นผู้หญิงเป็นอะไรกันฉันรู้ว่าแกอยากได้ลูกสาวมาตลอดแต่ใครจะไปรับประกันได้ว่าท้องหน้าจะเป็นลูกสาวลูกเอ๋ยยอมรับชะตากําเถอะชาตินี้แกคงไม่มีวาสนาได้มีลูกสาวเป็นของตัวเองหรอก เจ้าชุนหัวพยายามเกลี้ยกล่อมด้วยความหวังดีพางถอนหายใจแกดูสิฉันอายุขนาดนี้แล้วยังต้องมาช่วยแกเลี้ยงลูกต่ออีกเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบสิ้นเสียทีเดิมทีฉันยังหวังว่าจะได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนกับพ่อของแกบ้างแต่ตอนนี้สิหยาว่าแต่ไปเที่ยวเลยแค่จะก้าวออกจากประตูบ้านยังทำไม่ได้เจิ้งอวิ๋งฉงโดนตําหนิอยู่พักใหญ่จนในที่สุดเขาก็เริ่มทนฟังไม่ไหวแม่ครับแม่ฟังสักนิดจะให้ฉันรออะไรอีกละ่ะแกคิดว่าคนอายุขนาดฉันจะรอได้อีกกี่ปี บางเรื่องฉันนึกว่าพวกแกสองคนจะเข้าใจแล้วเสียอีกชั้นไม่อยากพูดให้มันชัดเจนเกินไปนักแต่ทำไมแกถึงได้ไม่รู้จักความขนาดนี้เจ้าชุนหัวโกรธจนตาเขียวเธอเงื้อมือขึ้นฟ้าเจิ้งหวิ๋นชงไปหลายทีไอ้ลูกไม่รักดีแม่แม่ไปรู้มาจากไหนว่าชิงผิงท้องเจิ้งอวิ๋นชงขงมวดคิ้วมุ่นนางบอกแม่เหรอหรือว่าแม่คิดไปเองคนเดียวเรื่องแบบนี้ฉันจะไปรู้เองได้ยังไงก็มีแกนั่นแหละที่เป็นคนบอกฉันเองกับปาก นางรู้สึกว่าช่วงสองสาวันมานี้เบื่ออาหารเหมือนตอนที่ท้องก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะท้องอีกเจ้าชุนฮวาพูดอย่างไม่พอใจลูกชายของเธออายุขนาดนี้แล้วแท้ๆกลับไม่รู้จักสงสารเมียตัวเองเลยสักนิดไม่ใช่ว่าไม่มีลูกเสียหน่อยจะขยันปั้มลูกไปถึงไหนการมีลูกมากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายแน่นอนเจิ้งอวิ๋นชงนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่กว่าจะหาเสียงของตัวเองเจอไม่ใช่ครับลูกชายของแม่คนนี้ไม่มีความสามารถในการสืบพันแล้ว พูดให้ชัดเจนก็คือเจ้องอางวินชงได้ไปผ่าตัดธรรมันมาแล้วต่อให้ทั้งสองคนจะมีชีวิตคู่ตามปกติก็ไม่มีทางมีลูกได้อีกเจ้าชุนฮาวาเองก็นิ่งอึ้งไปนานกว่าจะเข้าใจความหมายที่ลูกชายพูดแก่แกไปผ่าตัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตอนที่ผมเข้าโรงพยาบาลคราวก่อนผมก็เลยถือโอกาสผ่าตัดธรรมันไปเลยครับเจ้างวินชงกล่าวชิงพิงยังไม่รู้เรื่องนี้นางแค่รู้สึกว่าร่างกายไม่สบายเลยคิดว่าท้องแต่ความจริงคือ น, นางอาจจะป่วยจริงๆไม่ได้กันแล้วผมต้องรีพานางไปตรวจร่างกายเดี๋ยวนี้ รีบไปเถอะถ้าเป็นแบบนั้นก็ควรจะรีบไปโรงพยาบาลจริงๆเจ้าชุนฮวารู้สึกว่าให้ลูกสไปท้องยินจะดีเสียกว่าอย่างน้อยนั่นก็เป็นเรื่องมงคลอยู่ดีๆทําไมถึงไม่สบายขึ้นมาได้ล่ะหรือว่าจะเป็นเพราะเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกจริงๆการดูแลเด็กหลายคนในบ้านมันเหนื่อยมากจริงๆเจ้าชุนหวาคิดในใจว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงต้องจ้างคนมาช่วยเพิ่มอีกสักคนช่วงเที่ยง ท่านผู้เท่าเจิงกลับมาจากเขตทหารด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักเจ้าชุนหววเห็นเขาทำหน้าบึ้งตึงมาแต่ไกลก็เลยไม่ได้มีอารมณ์ดีนักเป็นอะไรไปอีกละ่ะมีเรื่องแย่ๆอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไงไม่รู้ว่าไอ้พวกไหนมันกินอิ่มแล้วว่างานนักถึงได้ไปรายงานว่าบ้านเรามีพฤติกรรมแบบนายทุนท่านผู้เท่าเจิงสอบทอออกมาอย่างหัวเสียมันบอกว่าบ้านเราจ้างแม่บ้านตั้งหลายคนการทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเท่เวย้ยทำไมไม่มีใครพูดบ้างว่าบ้านเรามีเด็กตั้งแย ะ, แ, ยะแต่ไม่มีคนช่วยดูแล ต่อให้จ้างมาสองคนยังดูแลแทบไม่ทั่วถึงเลยนะระษาอะไรกับการไม่จ้างคนถ้าคุณอยากจะสืบเรื่องนี้ก็น่าจะสืบหาตัวคนทําได้ไม่ยากไม่ใช่เหรอเจ้าชุนหวัวครุ่นคิดขอแค่สืบให้รู้ว่าใครเป็นคนรายงานปัญหาก็จะคลี่คลายได้ง่ายขึ้นสืบได้สิฉันคลุกคลีอยู่ในเขตทหารมาตั้งหลายปีถ้าเรื่องแค่นี้ยังสืบไม่ได้ก็เสียชื่อหมดถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเจ้าชุนหวัวแค่นเสียงหึในสายตาฉันน่ะแส่วนต้องเป็นเพราะอิจฉาบ้านเราแน่แน่ บ้านเรามีอะไรน่าอิจฉากันทันพูเทาเจอไม่ค่อยเข้าใจตั้งแต่เขากเกษียณมาวันวก็เอาแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านในขณะที่พวกข้าราชการบํานาญคนอื่นๆได้ไปนั่งล้อมวงเดินหมากในสวนสาธารณะบ้างไปตกปลาบ้างเห็นแล้วมันน่าโมโหจริงก็อิจฉาที่ลูกสะพายบ้านเราขยันยังไงล่ะแต่ละคนขยันมีหลานให้เราตั้งเท่าไหร่เจ้าชุนหวากรกา คุณนี่อยากได้หลานแต่คนอื่นเขาอยากได้กันจะตายไปอีกอย่างหลานชายคนโตบ้านเราก็มีอนาคตหลานสาวคนโตก็มีความสามารถลูกชายคุณตอนนี้ก็ไม่ได้ได้ไปกว่าใครถ้าคนอื่นไม่มาอิจฉาคุณแล้วจะไปอิจฉาใครฉันว่าข้างนอกนั่นต้องมีคนอิจฉาเราไม่น้อยเลยล่ะท่านผู้เท่าเจอไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่คิดในใจอย่างเคียดแค้นว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยคนที่ชอบฟ้องร้องคนนี้ไปง่ายๆแน่ ลิชิงพิงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่าไม่ได้ตั้งคันเพียงแต่ช่วงนี้เธอเบื่ออาหารจึงทําให้เกิดอาการอาเจียนและคลื่นไส้ซึ่งมีอาการคล้ายกับการแพ้ท้องในช่วงแรกหลังจากกลับไปแล้วต้องกินยาตามที่หมอสั่งให้ตรงเวลาจะดูผิดไปหรือเปล่าคะไม่ได้ท้องจริงๆเหรอลีชิงพิงรู้สึกว่าเรื่องนี้ควรถามให้แน่ใจเสียก่อนเพราะในช่วงตั้งครันไม่ควรทานยามิเช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อเด็กในท้อง ผลตรวจเมื่อครู่ยืนยันว่าคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ครับแต่ถ้าคุณยังกังวลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะท้องเราอาจจะยังไม่ต้องกินยาก็ได้รอดูอาการไปก่อนคุณหมอเสนอแนะอย่างไรเสียอาการของคุณตอนนี้ก็ไม่ได้รุนแรงมากกลับไปแล้วก็แค่ดูแลร่างกายให้ดีก็พอไม่ต้องครับจัดยาให้เราได้เลยอวิน๋นฉงเชื่อผมเถอะ